เมืองสารนาฏประเทศอินเดียเมื่อวันพุทธที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา18นาฬิกาขอจเจริญพรโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านบัดนี้คณะบุญญาริกิก็ได้เดินทางมาถึง สังเวชนีสถานแห่งที่สองในลำดับของการเดินทางคือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือการแสดงธรรมครั้งแรกที่เราเรียกว่าพระธรรมจักปรปวัตตนสูตรแต่ถ้านับตามลาดับในพุทธประวัติแท้ๆแล้วก็เป็นสังเวชนีสถานแห่งที่สามคือต้องนับตามลาดับว่าประสูตร ปัสรูแสดงปฐมเทศนาและปรินิพานสถานที่แสดงปฐมเทศนานี้นับว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าถือเป็นการปรดิสถานพระพุทธศาสนาคือเริ่มประกาศพระศาสนานั่นเองแต่ว่าคำว่าธรรมจักรประวัตนสุรซึ่งเป็นชื่อของพระสุดที่แสดงครั้งแรกนี้ มีความหมายได้สองอย่างธรรมจกกักรประวัตินสูตรแปลง่ายๆว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมะอาจจะแยกสัพ์ให้เห็นว่าเป็นธรรมะแล้วก็จกกักรรวมเป็นธรมธรมจักรธรรมจักรก็คือวงล้อแห่งธรรมแล้วกับปวตนะก็แปลว่าให้เป็นไปคือหมุนและสูตรก็คือพระสูตร เพราะฉะนั้นจึงแปลว่าพระสูตรที่ว่าดโดยการหมุนวงล้อแห่งธรรมหมุนวงล้อแห่งธรรมหรือหมุนนุนธรรมจักรนี้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้ทําให้วงล้อแห่งธรรมเนี่ยหมุนเหมือนกับกลิ้งออกไปแล้วก็การหมุนออกไปนี้ก็คือการที่พระพุทธศาสนาแผ่ออกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ทีนี้ คำว่าธรรมจักรนั้นอาจจะมีความหมายได้อีกอย่างหนึ่งเราเทียบได้กับคำว่าอาณาจักรอาณาจักรแปลว่าวงล้อแห่งอํานาจพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าจกักรพรรดิหมุนวงล้อเหมือนกันแต่ว่าหมุนวงล้อแห่งอํานาจหรืออาณาออกไปก็ทําให้พระราชอำนาจแผ่ขยายออกไปโดยครอบงําประเทศอื่นๆหรือดินแดนอื่นๆ เราก็เรียกดินแดนที่วงล้อของพระราชาไปถึงเราเรียกว่าเป็นอาณาจักรคือดินแดนที่พระราชาอํานาจแผ่ไปถึงถ้ามองในแง่นี้แล้วอาณาจักรเป็นดินแดนที่ทางฝ่ายบ้านเมืองก็แผ่อำนาจไปถึงฉันใดธรรมจักรก็หมายถึงดินแดนที่ธรรมะแผ่ไปฉันนั้นถ้าแปลในความหมายนี้แล้วธรรมจักรก็หมายถึงดินแดนแห่งธรรมะนั่นเอง ในเมื่อแปลว่าดินแดนแห่งธรรมะคําว่าธรรมจักกบธรรมปรสูตรก็หมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการทําให้เกิดดินแดนแห่งธรรมะหรือแผ่ดินแดนแห่งธรรมะให้กว้างขวางออกไปในแง่นี้ก็เท่ากับว่าเป็นการประดิษฐสถานพระพุทธศาสนาก็แล้วแต่ว่าจะใช้ในความหมายไหนนะก็ได้ทั้งสิ้นก็เป็นการเริ่มประกาศธรรมนั่นเองแหละจะเป็นการเริ่มเผยแผ่ธรรมะ หรือว่าจะเป็นการที่ว่าเริ่มเผยแผ่อาณาจักรดินแดนแห่งธรรมะออกไปก็ได้แต่ก็เริ่มในการที่แสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าปฐมเทศนาเนื้อหาก็เป็นเรื่องของพระธรรมจักรวัจนสูตรที่มีในพระไตรปิฎกแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องตัวพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงนี้ก็อยากจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซะกอ่อนขณะนี้เราก็นั่งกันอยู่ เบื้องหน้าพระสถูปที่เขาเรียกชื่อกันในบัทนี้ว่าธรรมเมฆสถูปธรรมเมฆสถูปนี้เราก็สนิทฐานแปลตามศัพท์เอาว่าเป็นพระสถูปที่สร้างอุทิศแด่ท่านผู้เห็นธรรมเพราะคาว่าธรมเมฆนั่นมาจากคาว่าธรรมะผสมกับคําว่าอิฆาธรรมะก็แปลว่าธรรมะอิฆะแปลว่าเห็นหรือผู้เห็น อีกขานี้แผลงเป็นเออีเป็นเอเราจะเห็นอยู่เสมอแหละแปลงอีเป็นเออย่างที่เราแปลกันวัก่อนสิกขาก็แปลงอีเป็นเอก็เป็นเสกขาเป็นเสกขานี่ก็อีกขาเปลว่าเห็นแปลงอีเป็นเอเป็นเอกขาแปลว่าผู้เห็นธรรมะบวกเอกขาก็แปลว่าทำเมฆขะแปลว่าผู้เห็นธรรมะก็เติมคําว่าสถูปก็ไปก็แปลว่าทำพระสตูปที่สร้างอุทิศแด่ท่านผู้เห็นธรรมะ ท่านผู้เห็นธรรมะในที่นี้หมายถึงท่านผู้เห็นธรรมท่านแรกก็คือพระอัญญาโกลธรรัญญะแต่ว่าการที่ท่านอัญญาโกลธัญญาจะเป็นผู้เห็นธรรมครั้งแรกได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมที่เรียกว่าบทมเทศนาธรรมจักรกับบทนันสูตรเพราะฉะนั้ระสูตนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอนุสรนล้ำลึกถึงการสแสดงพระธรรมจักรหรือเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า อันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันสาระสําคัญก็คือว่าต้องการแสดงเหตุการณ์หรือว่าเป็นเครื่องลําลึกถึงเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าเริ่มเผยแผ่พระาศาสนานั่นเองและพระสถูปนี้ก็ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าป่าอิสิปตนมฤุกขายาวันสำหรับคําว่าอิสิปตนะนั้นก็แปลว่า เป็นที่ขึ้นลงของพระฤาษีตัวเองแปลว่าเป็นที่ตกลงของพระฤาษีแต่ว่าในอธิกถาท่านก็แปลว่าสถานที่เป็นที่ฤาษีขึ้นลงหมายความว่าฤาษีก็ชอบมากันที่นี่มาอะไรก็มาประชุมกันมาอยู่กันมาลงกันที่นี่มากก็เลยถือว่ามองคล้ายๆว่าฤาษี เหาะ ก, กันมาแล้วก็เอามาหายตุบลงมาที่นี่ก็เรียกว่าฤาษีตกลงมานีก็เป็นที่ลงที่ขึ้นของฤาษีเหาะ ก, กันไปนี่ต่างๆก็เลยตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าเป็นอีสิปันตะแล้วก็มีคําว่ามรุกขไทยวันต่ออันนั้นก็เพราะว่าเป็นป่าที่พระราชทานอาหารให้แก่นเนื้อเนีมิคะเนื้อในที่นี่ก็พบกวางต่างๆ ก็เริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะให้อาหารก็เป็นที่พระราชทานอาภัยให้ซึ่งก็มีเรื่องราวเล่าต่อกันมาในชาดกว่าเป็นที่ที่พระเจ้าแรดินได้รับการความสัมพันธ์ที่ดีจากพกเนื้อพ ก, กวางดังที่ท่านมหาสุทินได้เล่าในรถยนต์ที่เดินทางมาแล้วอาตอมาก็ไม่อยากจะเล่าซ้ำอีกแต่รวมความก็คือว่าได้มีเรื่องราวที่พระเจ้าดินไปล่าสัตว์ล่าเนื้อ แล้วก็พวกเนื้อก็เลยเห็นว่าถ้าขืนให้พระเจ้าแผ่นดินล่าเนื้ออย่างนั้นทุกวันแล้วก็ตัวเองก็จะหมดก็เลยใช้วิธีว่ามาตกลงกับพระราชาพลัดเวรกันให้จับไปวันละตัวละตัวแล้วลก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ที่ช่วยแม่เนื้อที่ว่าแม่เนื้อลูกอ่อนจะต้องเข้าเวรก็เอาตัวเองเข้าไป รับก่อนเอาตัวเองเข้าไปแทนว่าขอให้ฆ่าตัวเองสละชีวิตเพื่อจะสงวนชีวิตของแม่เนื้อแม่ลูกอ่อนนั้นไว้นี่นี่ก็เป็นการแสดงน้าใจของพระโพธิสัตว์ที่มีเมตตากรุณาอย่างสูงมีการเสียสละชีวิตของตนเองซึ่งเรื่องราวก็ไปทราบถึงพระราชาก็เป็นเหตุให้พระราชานี่ทรงพระราชทานอภัยแก่พวกเนื้อพบกวางทั้งหมดเลย จากการเสียสละคำว่าโพธิสัต tn ั้นแล้วก็กลายเป็นที่ที่พระราชาทานอาหารให้กันเนื้อไปนี่ก็เป็นเรื่องราวเป็นมาซึ่งเป็นการให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องประวัติของสถานที่พอให้ทราบข้อความเท่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่เป็นสาระแต่ว่าก็ควรทราบไว้เป็นความรู้ประกอบและทีนี้ นอกเหนือจากนี้ก็ควรจะทราบกว้างออกไปก็คือการที่ว่าป่าอิสิปตนะมฤุกะทยวันนี้ก็อยู่ในเขาเรียกว่าแขวงเมืองพารณนสีเมืองพารณนสีก็เป็นเมืองใหญ่มีในสมัยพุทธกาลอย่างที่ท่านหมหาสุธินก็เล่าให้โยฟังแล้วว่าคำว่าพารณนสีเน้นตั้งชื่อขึ้นมาตามชื่อของแม่น้ำสองสายที่อยู่ ในเขตของเมืองนี้คือแม่น้ําพารณาหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าวรุณาแต่ว่าเอกสารต่างๆก็อาจจะเพี้ยนกันไปบ้างบางแห่งก็ว่าพารณาแล้วก็บวกกับอีกแม่น้ําหนึ่งชื่อว่าอาัสีบวกกันสองชื่อก็เป็นพารานัสสีไปนี่เมืองพารานสีนั้น <Okay. S 1> ก็เป็นเมืองใหญ่ในสมัยพุทธกาลแต่ว่า ไม่ใช่เป็นเมืองหลวงใหญ่โตเหมือ so นพวกราชคลื่แล้วก็เมืองสาวัตถีที่เราจะไปเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในสมัยพุทธกาลนี่เมืองพาราณสีได้เสื่อมอํานาจลงแต่ก่อนนี้เมืองพาราณสีก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นใหญ่ชื่อว่าแคว้นกาสีแคว้นกาศีนี่เคยเป็นแคว้นที่รุ่งเรืองมาสมัยก่อนพุทธกาล มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองมักจะเรียกว่าพระเจ้าพรหมทัตมีเรื่องราวมาในชาดกมากชาดกมากมายน้เกิดขึ้นที่เมืองพานาสีเป็นเรื่องของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนั่นก็เป็นชื่อคล้ายๆชื่อตำแหน่งคงจะเรียกชื่อตามราชวงศ์หมายความว่ากษัตริย์องค์ใดก็ตามในราชวงศ์นี้ขึ้นของราชก็เรียกพระเจ้าพรหมทัตหมดไม่ใช่เป็นชื่อเฉพาะพระองค์ สมัยก่อนนั้นพระเจ้าปรมาทัตครองราชสมบัติในพาราลสีของแคว้นกาศีก็เป็นแคว้นที่เป็นเอกราชแต่แคว้นกาศีนี้ได้ขับเคี่ยวทําสงครามแย่งอํานาจกับแคว้นโกศลตลอดมาเป็นเวลายามนานจนกระทั่งมาก่อนพุทธกาลแคว้นกาศีก็ได้เสียอํานาจให้แก่แคว้นโกศลเพราะฉะนั้นเมืองพาราลสีก็เลยเป็นเมืองที่ไม่ใช่เป็นเมืองหลวงใหญ่เป็นเลยแล้วในสมัยพุทธกาล ก็ขึ้นต่อแคว้นโกศลนั่นเองและเมืองพาราณสีนี้เรียกชื่อได้สองสามอย่ า, บางาาบางทีก็เรียกว่ากาศีนครบางทีก็เรียกว่ากาศีปุระหรือกาศีบุรีเรื่องราวนี้เกี่ยวกับสถานที่เพื่อให้ทราบความเป็นไปทางการบ้างการเมือง ด, ด้วยโยมจะได้มองสภาพแวดล้อมออกสำหรับเมืองพาราณสีนั้นแม้ว่าจะหมด สภาพที่เป็นเมืองหลวงของแคนใหญ่ไปแล้วแต่เพราะว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ก็เลยยังมีความสำคัญและเมืองพาราสีนี้เป็นเมืองที่แปลกคือว่ามีชื่อที่มั่นคงปัจจุบันนี้ก็ยังเรียกเมืองพาราสีเมืองอื่นนั้นแม้แต่ชื่อก็ไม่เหลือเป็นแคนใหญ่เป็นเมืองใหญ่ก็จริง ย่งเมืองราชคลื่นั้นก็หมดชื่อไปแล้วปัจจุบันนี้ก็เหลือแต่ชื่อที่เขาเรียกทางโบราณคดีที่เรียกราชเกือราชคีหะอะไรพวกนี้เรียกเป็นตามโบราณคดีแต่ชื่อปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วสาวัตถีก็เรียกโดยกําหนดเอาตาประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีปัจจุบันก็เป็นสาเหตุมเหตุอะไรอย่างนี้เป็นต้นพาราณสีจึงเป็นเมืองพิเศษที่ว่า ตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วมีชื่ออย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้นรพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าปฐมเทศนาที่เมืองนี้ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนี้แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาบ่อยการแสดงธรรมที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันยุติลงเพียงเท่านี้เพราะได้มีเหตุการธรรมชาติ คือฝนตกลงมาอย่างหนัก